ความเป็นจริงเราไม่ต้องการจะฟังคนอื่นก็ไม่ต้องการจะฟังข้อดีห้าเรื่องการข่าดสติสัมปชัญญะเราไม่ต้องการในเรื่องตัวเรานั้นเราก็ไม่ต้องการในคนอื่นเย่นนี้ได้ไหมท่านอันนี้บางคนทุกคนตั้งอยู่ในกฎข้าบรายการนี้ได้เป็นคนที่เราควรจะยอมรับนับถือเป็นที่นะแต่ว่าเขาตั้งอยู่ในกฎข้าบรายการนี้ไม่ครบแล้วก็นับถือไม่สนเขาตั้งอยู่ได้โดยตกอดใช่ไหม ก็เอะอั้งหมดเได้ตอนอาจารย์นี่ไม่แน่เียกลับไปบ้านดีไม่ดีก็ไปโกหกเมีวก็ได้ก็ระวังว่าต้องดูความคิดใช่เราต้องดูอุปนิสัยใช่ใจที่แท้จริงว่าเป็นคนอย่างไรต้องคล้ำกันหน่อยนะครับเด่ของคนนี้ก็มีสองหน้านครับเอ้ยคือหน้าดีกับหน้าเสียคช่บางทีมาขนาดเราได้เพะอย่างนี้คนทุจริตมาหาเรานี่ยเขายะนอบน้อมมีสามันยากดี เขาพูดดีเห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่ารับหลังเขาับบโกงแฟนเราก็ต้องเสเก็บไปเยอะย่างทีพระพุทธเจ้าถึงกับบอกให้รมัดระวังไอ้เนรายตั้งเสนโดยเฉพาะอย่างนี้แตมายคือว่าควรจะระวับบงสัมเสริมมากกว่านรคายแต่คนที่จะกงเราเขาต้องสัเ่เสริมก่อนได้ไ่ทันหรอกถ้าเามยายุบยาปอบป้านมาเราเป็นคนดีเราก็เข า, าอีกเขายื่เาอาไ นี่ก่อนที่เราจะให้ตังเขาก็เรียนหน้าผมก็สื่ยากเหมือนกันเลยทิ้งมาแค่นี้ก่อนอาจารย์ช่วยอธิบายก็อธิบายแม่อธิบายแต่ผมอยากจะขอนวัตกรรมถามนี้คือเวลานี้นะครับเทาที่ปรากฏโดยทั่วไปเรื่องสีหน้ามีก็สอนกันมาตั้งนานๆก่อนรุ่นพิการณ์เลยทำไมพิจารณ์งก็สอน แล้วลำหับมาเรื่อยตามพุทธศาสนาแล้วก็สอนตอนนั้นก็ท่านปัจจุบันก็ไปสอนสี่ห้ากันดีแล้วเดี๋ยวนี้เองหลวงพ่อก็พูดถึงเรื่องสี่ห้ากันาถึงกองอาณิสังคีธาแต่ว่าดูสังคมทั่วไปแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งสอนเท่าไหร่ยิ่งเหมือนยิ่งยุบในปัจจุบันนี้เมืองไทยของเราที so media, grandma, like strong, ่เป so so ็นเมืองพุทธว่าไปแล้วก็ขายหน้าตัวเองแต่ก็คงไม่เป็นไรบังคับว่าฝันจริงข่าวในหน้ามันก็จพิงต่างๆอ่านวันไหนก็อ่านนั่ครับ ทุกวันเลยครับมีละเมิดสีนหน้าอย่างรุนแรง้ะด้วยทุกข้อทุกข้อเลยแต่ละวันแะวัไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโตงเรื่องขโมยเรื่องอผิดลูกผิดเมียเรื่องอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งตุรามเมรไรก้อสุดท้ายเมาไม่จนกระทั่งไมีนิสิเอาชีวิตตีวา่าไปทิ้งแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะกล่าวได้ไหมครับว่ากา ร, อรสอนศาสนานี่ได้ผลหรือว่าถ้าหากว่าการสอนไม่ได้ผลจะ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนหรือการอครม อ, อย่างไรจึงจะบังเกิดองแก่สังคมวารมีอาชีพมาในการสอศในศาสนาได้ผลนะครับอาจารย์อาจจะลืมแล้วไม่ลืมแล้วแปล้งลืมกันได้ที่เราได้จ่าจำแบบว่าไคนที่เกิดมาในโลกมันมีสีเาราใช่ไหมด้วยหนึ่งอุติใจอยู่คนที่มีความดีล้นตัวคนนะั แนะนำไปยังหข้อเขาก็ไปปฏิบัติความดีได้ปัญญาดีทั่วไปยังอยู่คนอันดับที่สองคนประเภทนี้แนะนำหัวข้อไว้ใจสอนติบไบท์แล้วก็ทำความดีได้ในยะบุคคลประเภทนี้ดีมากไว้ได้สะสมตัวได้ขปทุกธรรมะแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่าหน้าเนังสือพึมพ์เขาออกอส ม, มอเสมอในความจริงเขาไม่ดึหรอว่าคนไทยสี่สิบล้านคนนั่นเลยทั้งหมดนะครับ ไม่ีไม่ดีพูดแบ่เพียงสิ่งมดาวคใช่ไหมการสอนที่ในผลในฝนในลานี้สำหรับสมาเอสสัมผัสกับคนมากคือตั้งแต่หัวประเทศอย่างไทยประเทศับก็ัยเห็นว่าเวลานี้คนสนใจในความดีมากขึ้นหรือว่ามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนองคํามโลกครั้งที่สอ เพราะว่าถ้าไปที่ไหนก็ตามไม่ไปจดหมายปฏิบัติกับสังือวาสเลยนับจดหมายวันละหลายสิบสุตตปังบางวัยกคือร้อยสุตตปังก็มุ่งปฏิบัติความดีอันดับสูงคือสมรขาดกรรมังนวิปัสนากรรมฐานอย่า้ครับนี่ก็ต้องถือว่าส่วนของมกคนพวกนี้จะรู้กติสิงหอยู่หรือวิปติติงหอยู่หรือว่าไหนยะแต่ส่วนี้อาจารย์พูดดันเป็นผู้กระท่า -parama เนท่านจะเป็นแบบไหนก็ไม่มีดทามพราะว่าเจ้ายังสอนไม่ได้แต่ถึนสอนได้เราก็หัวเสท้าปจิ ่ไก็มันไม่อย่างนั้นนกครับในทัศนะของคนอื่นในทัศนะของอผู้ที่ไม่มองถึงคนแต่ในเมืองไทยไปแล้วนี้แยกแล้วซึ่งพุทธศาสนานี้แย่เป็นกริงแล้วข่าวๆแต่ละวันนวันนี้เป็นเรื่องเรื่องฆ่าเรื่องโค้งอะไรต่างๆไต่ว่าใครบรรลุธรรมท่านไหนไปบำเพ็ญกรรมฐานวัดใดอะไรพวกนี้ไม่เคยติดคองรองปาตีไม่ได้เพราะเจ้าห้ามตี แต่แดกคืนลงแบบนั้นซิทิมขายไม่ได้ขายไม่อมอกใช่เพราะทหารเรืร่อนงนี้ว่าไอ้ป้านยงิ่งนะซิทิมลงแบบนั้นก็เป็นความดีนะอาจจะมาต่อสู้ว่าคนที่ทำชั่วทั่วถ้าไม่นํามาประกอบเขาก็จะไม่รู้ว่ากำลังทั่วแต่ประกาบแล้ก็จะเป็นปันใจจัยให้คนที่เขาอ่อนแล้วแล่วเขาฟังแล้วเนี่ยที่ทราบว่าคนประเภทนี้เป็นคนเร็ว เระทุกขรายได้เบียดยืนสบายจนเมืองเพียรลิบหลงไปหรือเวลานี้กาลังนั่งคุยธรรมะอยู่บางส่านมั่งคเรียกว่าแหมสามคนนคนดีที้เสรนะแต่ค่ามยืงกลับไปบ้านที่มันนั่งปวดท้องร้องอ่อนๆห่วงขันห่าเรีหกได้อนนี้มัยนยึงว่าดีไม่ได้เลยก็ยังมีอารมณเวอยู่จะทำว่าเราตั้อย่าคบคนตอนเลือกเขจาจะเพราะจุดที่ดี ที่วนดีตรงไหนตรงนั้นแต่ที่อาจารย์พูดบางทีเนี่ยบอเราคิดถึงก็ลงมาโกงแบบไหนข้าบแบบไหนป้นแบบไหนได้แลแ้วหลยคนว่าพวนั้นใช่ประเภทนั้นก็อย่าลืมว่าแต่คนไหนที่เขาลงมาคิดถึงไปแล้วแสดงว่าถูกจับแล้วแล้วหีไปแล้วอาการอย่างนั้นมันแป็อาการของความคิดถอยากไรล้นขึ้นมาตำรวจยังจับไม่ได้คนนั้นยังนอนสะดุ้งอยู่แต่ไม่ใช่หนี่ข่าวาตำรวจมาอันอนไม่หลับแล้วนักเกกจับ เขา ม, งมาอางไม่เห็นทุกข์เพราะว่าคนประเภทนี้เป็นขั้นประทับปฐมภพเราต้องยกไป<า>กแต่คิดอาจาจย์ให่ไปสอนเขารลรวก็ตายก่อนในผล ส, สบลงมาคนที่ทำความชั่วถึงแม้ว่ายังได้ลับไม่ได้แต่ก็ต้องมีทุกข์อยู่เรียกรอย่างนี่ยา น, นอย่างนอาจารย์เนี่ยไปเขโมยหมวกมาสรุกใช่ไหมหมวกนี่มันสวยไม่มีกแร่อยางที เวลาไปไหนไปเที่ยวดูงานดูการเท้าสังคมสวมหมวกตรงนั้นไปแต่เนี่ของหมูกก็เดินมาแวบเสียใจขายพระจําหมวกก็ได้่าวะนี่จิตเสด็จถูกไหมนี่เป็นว่าการทำความทั่วมันเป็นทุกข์กิจอะไรแต่ทว่าเราอาใสยคนประเภทนั้นขายการอบรมจิตดีนี่ยคือว่าเราไม่ได้ดูตัวอย่างว่าคนก็ทําแบบนั้นนะมันเป็นความทุกข์ขนาดไหนก็ลืมไป คนปะเภทนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประทับประมะเราสอนไม่ได้อันนี้ก็ตปองเลื่คนไปคนไทย40ล้านคนนี้ไม่ได้ทั่วทั้ง40ล้า น, นาเป็นคนเลื่อนใช่สิถ้าทั่ว40ล้านคนธรรมะก็ทั่วจางคนนี้ก็ตั่วเวลเราไม่ายายยกอยู่มาฟังคนทั่วคุยอยางนี้นมนันไม่ไ้แล่ท่านดีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> จะมีส่วนดีอยู่ว่างไหมผเขาเขาก็ไล่ผมดีแต่ไง้เวลานี้ขณะใดที่คุยธรรมะขณะนั้นจิดว่างจากกิเลสช่ไมมไอ้กิเลสหนึ่ความเหมองก็อารมณ์เใช่มครัแต่คนใดเอาสนใจในข้อธรรมไรธรรมนี่มันเป็นกฎมรดาเนไม่ใชองแตกต่างเใรเขาครเไม่เครับอในมุงของความดคนใดก็ตามท้าสนใจในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกต้องนั้นเป็นนดี ตามที il, ่ทรงแต่งพระสารีบุตรพระสารีบุตรตาดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตเมตตาโรนณาหมายความจิตใจออ้ออมรีเจิดับ้านโดยจิตอารมณ์นี้เพงแค่วันหนึ่งชั่วขณะจิเดียวเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นเพื่ว่าจายใจดีในความดีวันหนึ่งนาทีหนึ่งถ้มากิบวันนสิาทียีวัน20่สนาทีปีส6 5หิหนาทีไว้สักตัตนอนาคตก็ดีใหญ่ในนี้เลย ในคนทุกคนในโลกเนี่ยคนดีหมดคนที่ให้ทาก็ดีคนขโมยก็ดีทำไมก็ดีหมดเขาดีคนขโมยก็มีโอกาสได้ขโมยใช่ไหมเขาตั้งใจจะขโมยเต่เขาไม่ได้ขโมยเก็ไม่สบายใจเขาได้โอกาสได้ขโมยเขาก็สบายใจตำรวดก็ดี ตำรวจจัขโมยได้เรื่อยคันหนึ่งเดือน ด, นดีถ้าไม่มีขโมยนี่ตัวร้อยตำรวจเลยหากินไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วในสุดไอ้เจ้าของบ้านหนึ่งก็ดีถ้าไม่ถูกขโมยก็ไม่มีการระวังขาดสติก็ไม่เห็นเยอะไม่รับของนี่ห า, าไั่ได้ดีทั้งนั้นเลยอันนี้เราว่ามองไปแง่ดีแง่ <c oughs> ดีใช่แต่ว่า <c oughs> คนที่ขโมยเขาก็ยังไม่ดีต่อไปถ้าเข้าตารางจะได้รู้จักว่าในเดือนจำเขามีอะไรอย่าบ้างได้มีกาศรศึกษาที่ศูนย์ดี <c oughs> <c oughs> ออกมาแล้วใช่ใช่ก็เป็นหรือให้แต่ละคนแยกที่ใช่ถ้ามีเดียอาการสองคนลงขโมยเข้าตรรังไม่รู้ไม่รู้นี่ก็คือบาดสำผาดซะก่อนนะใช่ใช่ก็เป็นอไ่แน่ดังนั้นับผมับผมไม่ขอรับไม่รับไม่รับดีเปลยแค่เป็การสำผาดที่ไม่ดีอ๋อคุณหักเป็นอันว่าเราก็เว่าคนทุกคนเนี่ยมีทั้งดีได้ทั่วแต่ว่าขโมยหรือโจรเนี่ย อขาจะมาเคยเดือนตั้งแต่ในเมืองหลวงหรือก็เมืองเล็กแล้วเขา้าป่ากอเคยไปสัมผัสกับคนนี้ก็ต้องหนีกฎหมายเข้าไปในป่าเลยคุยกันแต่บางคนก็จําจะต้ง อ, องเลวก็มีเอามางคอาพ่อก็เคยจะเป็นบวกเข้ามาแล้วใช่เลยห<อ> <laughs> ู้ยุบคนยมาเลย แบบนี้ไ้คุยหลังวัดหรือเปล่าไปคุยไปไปสัมผัสไปกินไปนอนอะไรกันเขาคนนั้นกว่าินนอนาได้ดีไหนเลาไปคุยกเาว่าอ๋อครัม่นี่ัตังกนมากเรานี่มือก่อนนีไม่เกี่วคนและอาเสียนาจะผ่านจนแก้วเป็นคนเขาคนผ่านแสดอาจารย์เป็นคนะผ่านอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็บัณฑิตอย่างของพ่อนี่ยกประเด็นให้ผู้โจรทั้ลายครับแล้วมาไกลเข้าไปในป่าไปพบกัน ไปพบผู้โจรปกตนะินี้กฎหมา ย, ยาแล้วก็ไปพบผู้ก่อการดีอ๋อก่อการดีก็มีฮะนี่ที่เราเรียกผู้ต่อกรารลายเนี่ไปถามเขาแล้วเขาบอกเขาก่อการดีเลยแต่ตแเขาบอกว่าเขาดีบอกแล้วว่ต้องวันดีแล้วถามว่าคุณเข้ามาอย่างนี้ยคุณไม่มีความสุขคุณมีความสุขไว้เห็นเพื่อนเคขา ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุคุณดูหนังข้าอน่ารถเย็นคุณดูมือศบก็เรื่องเรียาาวกันคุณนั่งมาเยอะข่าก็เห็นขางกเ่าคนส่ทั้งคนณึกถึงความหลังนี่เปล่าว่าบ้านของคุณคุณอยู่บ้านแม้ว่าคุณไดเจอคุก็มีความสุขมีสุภาพดีแต่ว่าทาไมคุณยังข้ามาที่นี่ก็เพราะความจำเป็นบางอยไอ้นี่เหตการณ์หนึ่งอาจจะเป็นความจาเป็นเพราความยากจน